มีใครอยากถามอะไรไหม ม, มาจากพัทยาใช่ไหม ท, ท, ที่คุณแม่ไม่สบายไปเซนลาสเนี่ยยังไปอยู่เปลอเจอหมอหมอชื่ออะไรนะหมออิสลาอลายังอยู่นะมไม่ได้เห็นหน้านาเนนะอืยค<อ>งจะยุ่ง<อ> วันนี้หลงเหลงมองไปมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนพูดกับต้นไม้วันนี้ดีทางบ้านยังมีติดตามเข้ามาเท่าไหร่แนละ้วย you, นะู u ูบร้อยสิ็ะอ๋อร้อยสี่สิบแล้วนะแล้วเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กร้อยสี่สิบหก u t u b e ยังไม่ยังไม่เห็นอ่ายูทูบย้าสิบคนแล้วครับห้าสิบก็วิทยุตอนนี้สิบเก้าคนแล้วครับสองร้อยสองร้อยกว่าบนเขาสิบกว่าคนสิบคนเฟซบุ o กเข้ามาเรื่อยๆฮะร5อยห้าสิบกว่าแล้วครับนี่ธรรมดานะมีคนมาแค่นี้ก็มักจะ ไม่ได้พูดอะไรก็พูดเหมือนกันพูดไปตามตามอะไรตามอัธยาศัยคูยคุยกันถามสารทุกขสุขดิบแต่พอมีการถ่ายทอดสดแลยไม่มีใครกล้าพูดสารทุกขสุขดิบโดยก่อนนั่งเงียบเมื่อก่อนก็ไม่ได้ มารับแขกที่ศาลารับแขกที่กุฏิแล้วก็ไม่ได้เป็นกำหนดเวลาใครอยากจะมาตอนไหนก็มาก็มาเป็นกลุ่มเป็นรถคนละ ก, ก็รับกันไปทีละคนสองคนกลุ่มสองกลุ่ ม, มวันหนึ่งก็ไม่มากมก็รับแขกที่ศาลาไนดะ้ แกก้าข้าวของมาถวายมาคุยกันมาถามสารทุกข์สุขดิบกันเรากลับกันถามปัญหาบ้างมีคำถามมีปัญหาก็ถามกันไปบอกกันไปแต่ไม่ต้องอามา แสดงธรรมแสดงธรรมนี่มันก็มันก็ต้องคิดนะต้องคิดต้องพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรพูดก็มันก็ต้องซ้ำกัน เพราะธรรมะมันก็เป็นวิชาเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาวิชาเคมีมันก็สอนเรื่องเดียวกันซ้ำๆกันนะฉะนั้นคนฟังก็ถ้าเคยฟังทุกวันอาจารย์รู้ว่ามันซ้ำแต่มันก็ดีตรงที่ว่าการฟังซ้ำนี่มัน เป็นประโยชน์เพราะธรรมะเป็นของที่เข้าใจยากฟังครัง้งแรกฟังครั้งที่สองนี่อาจจะยังไม่เข้าใจต้องอาศัยการฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่อถ้าไม่คิดก็อาจจะไม่เข้าใจ คนที่คิดเป็นฟังแล้วก็เข้าใจบรรลุทำได้อย่างในสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงธรรมคนฟังบางคนก็บรรลุธรรมคนฟังบางคนก็ไม่บรรลุเพราะฟังแล้วคนที่บรรลุก็คือคนที่เข้าใจ คนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่บรรลุการบรรลุธรรมก็คือการเข้าใจเหมือนกับการที่เราเรียนทางโลกเนี่ยเราเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เนี่ยถ้าคนเข้าใจก็จะรู้วิธีบวกเลขคนที่ไม่เข้าใจก็จะยังไม่รู้วิธีบวกเลข การฟังนี้ก็ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจฟังธรรมนี้เราไม่ได้นิยมฟังเพื่อจดจำจดจำก็มีประโยชน์แต่จดจำนี้ไม่พอเพียงฟังแล้วต้องเข้าใจดีก็ฟังแล้วจำได้จำได้แต่ เอาไปใช้ไม่เอาใช้ไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจนี่เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ทําให้เกิดเป็นประโยชน์ได้เช่นถ้าฟังว่าอริยสัจสีมีอะไรมีทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้เป็นการจำํจำจําชื่อจําว่าอริยสัจสีมีอยู่สี สัจธรรมอริยาสต ร, ร์แปลว่าอะไรอริยศาสตร์แปลว่าความจริงของผู้ประเสริฐอนยอริยคือผู้ประเสริฐสัจสัจจะก็คือความจริงความจริงของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐคือใครผู้ประเสริฐก็คือพระพุทธพระธรรมพระสง์ ทำไมจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเสริฐทำไมพวกเราไม่เป็นผู้ประเสริฐทำไมเราไม่ได้เป็นเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์พวกเราอย่างไม่สามารถอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความทุกข์ใจ เรายัางมีความทุกข์ใจกันอยู่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ที่เห็นชาติก็คือทุกข์กับเรื่องเงินทองมีใครไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองงทุกข์กับคนคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยคนที่เรารู้จักเนี่ยทุก แต่คนที่เราไม่รู้จักกับไม่ทุกคนที่เราไม่สนิทสนมนี่จะไม่ค่อยทุกมักจะทุกกับคนที่เราสนิทสนมคนที่เราไม่รู้จักเขาเป็นเขาจะเป็นจะตายเราไม่เราไม่ไมทุกกับเขาแต่คนที่เราสนิทสนมใกล้ชิดเช่นบิดามารดาปุยาตายาย ญาติพี่น้องสามีภรรยาบตทธิดาเป็นบุคคลที่เราใกล้ชิดเรามักจะทุกข์กับเขาทุกข์เพราะเรารักเขาเมื่อรักเขาเราก็ห่วงเขาเราก็ห่วงเขาเรารักอะไรเราก็จะ อยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆเราไม่ต้องการให้เขาจากเราไปหรือเราจากเขาไปแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปรารถนาได้ไม่สามารถที่จะมีความสมหวังกับความอยากของเราได้ เพราะว่าของต่างๆบุคคลต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นของชั่วคราวเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็าไปการเกิดการการเกิดก็เหมือนกับการมาอยู่ดีๆก็มีคนมาเกิดในครอบครัวเราก็เป็นสมาชิกใหม่ อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องแล้วแต่ฐานะของผู้ที่มาเกิดว่ามีฐานะกับผู้ที่อยู่ก่อนถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นพ่อแม่ผู้ที่มาเกิดก็เป็นลูกถ้าเป็นผู้ที่เป็นลูกมาผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องก็เป็นก็เป็นน้องไปถ้ามีพี่มาเกิดก็ต้องเป็นน้อง มาเกิดแ้วเดี๋ยวก็ต้องไปกันพอโลกนี้เขาไม่ให้อยู่ไปตลอดถ้าอยู่ไปตลอดมันจะล้นโลกจะไม่มีที่อยู่กันคิดดูถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่ตายนี่ป่านนี้คนจะมีมากน้อยเพียงไรที่ยังพออยู่กันได้ก็เพราะว่ายังมีมีการตายไป นี่อาจจะเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้โลกต้องเป็นอย่างนี้คือต้องมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายถ้าไม่มีการเกิดการดับการตายมันก็จะล้นโลกแน่นโลกไปหมดแล้วก็จะอยู่กันยากอยู่กันลําบาก นี่คือเรื่องอริยสัจ ส, สีพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์นี่ท่านไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆท่านไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆท่านไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะอะไระเพราะท่านเข้าใจอ เข้าใจความจริงของโลกเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้เนี่ยท่านเข้าใจความจริงของโลกพวกเราไม่เข้าใจกัน ท, ทั้งทั้งที่เห็นกัน ไม่เข้าใจไม่ยอมรับความจริงยังอยากให้ไม่แก่ไม่มีใครอยากแก่กันแปลกไหมทั้งทั้งที่ความจริงมันต้องแก่กันทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั้งทั้งที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายกันทั้งทั้งที่จะต้องตายกันทุกคน ไม่มีใครอยากจะพัดพลากจากกันทั้งๆ ท, ที่ต้องพัดพลาดจากกันนี่แหละความทุกข์ของพวกเราเลยเกิดขึ้นมาเกิดเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเกิดเพราะเรามีความอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่กันอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกัน อยากไม่ตายกันอยากไม่พัดภาคจากกันมันจึงทำให้เราทุกข์กันแต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเนี่ยผู้ประเสริฐท่านไม่ทุกข์กันเพราะท่านยอมแก่ยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตาย พระพุทธเจ้าแก่ไหมแก่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยตายหรือเปล่าตายทำไมท่านถึงไม่เป็นผู้ประเสริฐเพราะท่านไม่ทุกกับมันท่านไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกกับการพลาพลากจากกัน ท่านถึงเป็นผู้ประเสริฐพวกเราไม่เป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นพระอริยะผู้ประเสริฐก็คือพระอริยะพวกเราเป็นปุตตชนเป็นคนธรรมดาไม่ประเสริฐเพราะเราไม่รู้จักความจริงของผู้ประเสริฐ ถ้าเราเห็นความจริงเหมือนกับผู้ประเสริฐเห็นความจริงเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราเห็นว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายต้องพัดภาาจากกันถ้าเห็นแล้วยอมรับไม่ปฏิเสธเทตอ น, นี้เราไม่ยอมรับเราปฏิเสธ เราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ต้องการพัดพาคจากกันมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันท่านนั้นเองอยู่แค่ตรงนี้อยู่ที่เราไม่ยอมรับความจริงทำไมเราจรึงไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่า เรามีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเราอยากจะมีความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเมื่อเรามีความปรารถนาอยากได้ความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องมีร่างกายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ที่เรามีความสุขกันตอนนี้เพราะเรามีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เอง เวลาที่เราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณนี่เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเราจึงไม่ต้องการให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปถ้าเป็นอะไรไปแล้วเราจะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกนี้ได้นี่คือสาเหตุทาไม เราจึงไม่ยอมรับความจริงกันไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมรับความตายไม่ยอมรับการพัดพากจากกันเพราะเวลาที่เราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเอง เวลาแก่นี่จะไปเที่ยวมันไม่สนุกเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเวลาจะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่มันหาได้ยากกว่าลำบากกว่ามันก็เลยไม่มีความสุขแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่หาไม่ได้เลยนอนอยู่โรงพยาบาลมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าว ตัวสพางกายไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลาตายก็จบเลยเวลาตายนี่ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะตาไม่ทํางานหูจมูกลิ้นกายไม่ทํางานใช่แล้วอถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายภาพไม่ได้ มีกล้องเราก็มีไว้สำหรับถ่ายภาพอพอกล้องไม่สามารถถ่ายภาพได้กล้องก็ไม่มีความหมายอะไรแะ ม, มีไมโครโฟนก็ไว้เพื่อฟังเสียงรับเสียงพอไมโครโฟนมันเสียก็มันก็รับเสียงไม่ได้เราจึงไม่ต้องการของที่มันเสียกันเราต้องการของที่มันดี ของที่มันใช้ได้ของที่ใช้ไม่ได้เราก็โยนทิ้งกันแต่ไม่ว่าเราจะผลิตของอะไรขึ้นมาให้ดีขนาดไหนก็ตา ม, มเดี๋ยวมันก็ต้องเสียนี่คือความจริงของโลกของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวบางทีเราก็ไปร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับสุนัข ก, กับแมวบางคนรักสุนัขเหมือนรักลูกบางคนไม่มีลูก ก็เลยหาสุนักมาเลี้ยงแทนลูกเพราะอยากจะมีความสุขจากสุนักพ อ, อมีสุนักแล้วก็มีความสุขเห็นมันเล่นเห็นมันทำอะไรก็สุขไปกับมันพ อ, อมันไม่สบายเวลามันตายเราก็เลยไปทุกข์กับมันเพราะเราไปยึดติดกับมัน ไปอาศัยมันให้ความสุขกับเรานี่คือปัญหาของเราคือเราชอบไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรที่เป็นสิ่งที่จะต้องมีการจากกันไปมีการชำรุดเสียหายมีการตาย มีการสิ้นสุดหมดสภาพนี่คือความทุกข์ของพวกเราทุกเพราะว่าเราไปยึดสิ่งต่างๆห้าามาให้ความสุขกับเราแต่สิ่งต่างๆที่เราไปยึดมาให้ความสุขกับเราเนี้ยมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลดอดเพราะมันจะต้องมีการเสื่อม มีการชำรุดมีการเสียหายมีการสิ้นสุดหมดสภาพนี่พวกเราไม่ได้เป็นพระอาริยะกันกเพราะตรงนี้ตรงที่เราไปยึดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วพอมันเป็นอะไรไป เราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปเท่า น, นั้นเองสําหรับพระอริยะนี่ท่านไม่เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆเพราะท่านเข้าใจท่านรู้ตลอดเวลาว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับท่านได้ไปตับไปตลอดจะต้องมีเวลาที่มันไม่สามารถให้ความสุข กับท่านได้ท่านก็เลยไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถจะให้ความสุขกับท่านได้ตลอดเวลาการที่ท่านไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เพราะอะไรเพราะท่านสามารถหาความสุขจากสิ่งที่ ให้ความสุขกับท่านได้ตลอดเวลาท่านก็เลยไม่ต้องมาหาความสุขจากสิ่งที่เป็นความสุขชั่วคราวท่านได้พบกับความสุขที่ท้าวอนเป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดท่านก็เลยเลิกที่จะหาความสุขจากสิ่งที่ จะต้องเส่มิมที่จะต้องหมดได้พวกเราถ้าอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระอริยะบุคคลเราก็สามารถทําได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารุก็ดีการที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยบุคคล ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยนะท่านก็ต้องพึ่งร่างกายต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราท่านต้องมีรูปเสียงกลิน่นรสมาเสพต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เต้องมีภรรยาต้องมีสามีต้องมีอะไรต่างๆมาเสพมาให้ความสุข แต่ท่านต่างจากพวกเราตรงที่ว่าท่านเห็นว่ามันเป็นความสุขที่ชั่วคราวและจะกลายเป็นความทุกข์ต่อมาเวลาที่ความสุขเหล่านั้นหายไปท่านเห็นตรงนี้ท่านเห็นว่าความสุขชั่วคราวนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ เวลาที่มันหมดไปใช่มเวลาที่เรามีความสุขจากแฟนนี่เราก็มีความสุขไปเรื่อยตราบใดถ้าแฟนยังอยู่กับเราถ้ามันดีขึ้นดีแฟนจากเราไปความสุขที่เราได้จากแฟนมันก็ต้องหายไปแล้วอะไรจะตามมาก็คือความทุกข์ก็จะตามมา แล้วมีใครรับประกันว่าแฟนเราจะไม่จากเราไปได้หรือไม่หรือเราจะไม่จากจากแฟนเราไปได้หรือไม่มันจะต้องมีวันจากกันไม่ช้าก็เร็วไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากตอนเป็นก็จากตอนตายตอนที่เราตายจากเขาไปเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไป ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจกันนี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพวกพระอริยะพระอริยะท่านเห็นอนาคตที่จะตามมาคือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปหรือเวลาที่เราจะต้องจาก จากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไปท่านถึงเห็นภัยของการมีความสุขแบบนี้ว่าการมีความสุขแบบนี้มันจะจบลงด้วยความทุกข์ท่านเลยไม่อยากจะให้มันจบลงด้วยความทุกข์ท่านก็เลยไปศึกษาไปค้นหาวิธีที่จะทำอย่างไร ที่จะทำให้ท่านไม่ต้องมาหาความสุขแบบชั่วคราวเหล่านี้ท่านก็เลยได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้กันมาก็คือยังมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสุขที่เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นผู้ครองเรือนเป็นคลาวาสญาติโยมเหมือนเราเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนเป็นเจ้าชายท่านก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีงานเลี้ยงแทบทุกคืนเป็นเจ้าชายอยากจะจัดงานเลี้ยงอยากจะมีมโหรสรบันเทิง ในรูปแบบไหนก็สามารถมีได้ตลอดเวลาแต่ท่านเห็นอนาคตว่าต่อไปท่านจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากความสุขต่างๆที่ท่านกําลังหาอยู่ในขณะนั้นได้ท่านก็เลย กลัวัวอนาคตกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวความทุกข์ที่จะตามมาท่านก็เลยหาทางเลือกใหม่เพราะท่านได้ยินได้เห็นว่ามีนักบวชที่เป็นผู้ที่หาความสุขแบบใหม่ความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย คือความสุขที่เกิดจากการาปฏิบัติควบคุมจิตใจทำจิตใจให้สงบถ้าทำจิตใจให้สงบได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่ไม่ช่องใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสเอไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่อิ่มกว่าเป็นความสุขที่มากกว่าเป็นความสุขที่ยาวนานกว่าความสุขที่ที่ผู้ครองเรือนจะหากันได้ ท่านก็เลยออกบวชนะภาษาว o ต่างๆก็เหมือนกันภาษาวก k มันก็ไม่ได้เป็นนักบวชมาตั้งแต่เกิดนะเพราะนักบวชก็ไม่มีครอบครัวขาไม่มีลูกมีเต้านะคนที่จะไปเป็นนักบวชนีต้องเป็นผู้คลองเรือนมาก่อนผู้เสพกรรมมาก่อนผู้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก่อน แต่ท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่จะตามมาเวลาที่ไม่สามารถเสบรูปเสียงกิดรสได้ท่านก็เลยไปออกบวชกันเนี่ยการที่ใครจะออกบวชกันนี่ก็เพราะว่าเห็นความทุกข์ในกามนี่เองเห็นความทุกข์ในการเสบกามเห็นว่าการเสบกามนี่จะต้องจบลงด้วยความทุกข์ พอไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปเวลาเกิดการพัดภาคจากกันใจที่ยังอยากจะเสพสิ่งที่จะจากไปก็จะทุกข์พะมีความอยากไม่ให้จากไปนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ทาไม จึงมีนักบวชกันมีพระมีอะไรกันก็ mm. เ, เพราะว่าพวกนี้เขาเห็นไัยในการหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองเพราะร่างกายนี้ต่อไปก็จะอาศัยมันเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ได้และความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทีมันมันหมดไปก่อนที่ร่างกายจะเป็นอะไรไปก็มีเวลาสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราพอมันเป็นอะไรไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ร่างกายของเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราก็ทุกข์กันได้ทุกเพราะเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไป สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ให้ความสุขกับเราพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์กันขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากให้มันจากไปความทุกนี้เกิดจากความไม่อยากให้มันจากเราไปเท่านั้นเองถ้าเราไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เวลาสิ่งต่างๆจากเราไปเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากให้มันอยู่มันจะอยู่มันจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้มันให้ความสุขกับเราเรามีความสุขอีกแบบหนึง่งคือความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ และรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือสิ่งที่นักบวชเขาทำกันเขาไปหาความสุขอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวเขาเองความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเขาเขาเพียงแต่ทำใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้พอหยุดคิดปรุงแต่งได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง นัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอื่นใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือความสุขของนักบวชนักบวชจะหาความสุขจากการฝึกจิตฝึกใจควบคุมจิตควบคุมใจ ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ลั ง, งามจากความคิดปรุงแต่งต่างๆเมื่อจิตสงบไม่คิดปรุงแต่งจิตก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทำให้ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมาให้ความสุข ก็เมื่อมีความสุขภายในตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเวลาเขาเสื่อมไปเวลาเขาหมดไปเวลาเขาจากไปเวลาเขาหมดสภาพไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เดือดร้อนเพราะยังสามารถหาความสุขจากใจได้เหมือนเดิมนี่แหละคือ ความเป็นอริยบุคคลท่านสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างต่างต่างกับพวกเรานี่ที่วุ่นวายกันตลอดเวลาแทบทุกวันวุ่นวายกับการเกิดการดับของสิ่งต่างต่างการมาการไปของสิ่งต่างต่าง วุ่นวายทุกวุ่นวายคาว่าวุ่นวายก็คือความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆคือความทุกข์เรามีความไม่สบายใจแทบทุกวันเลยเพียงแต่ว่ามันจะยาวหรือสั้นเท่านั้นเองบางทีก็ไม่สบายใจแป๊บเดียวเห็นใครพูดอะไรหน่อยก็ไม่สบายใจขึ้นมาแต่เดี๋ยวสักพักก็ลืมไปแต่บางที ถ้าเป็นเรื่องหนักนี่มันก็จะไม่สบายใจไปยาวเลยบางทีเป็นชั่วโมงบางทีเป็นวันแล้วแต่ว่ามันสะเทือนใจมากน้อยเท่าไหร่ถ้าสะเทือนใจน้อยมันก็หายเร็วถ้ามันสะเทือนใจมากก็หายช้าบางทีได้ยินคนคําพูดของคนตอนเช้านั่นเอง ตอนบ่ายตอนเย็นก็ยังไม่สบายใจอยู่เพราะใจยังไปคิดถึงมันอยู่คิดถึงทีไรก็ไม่สบายใจใครเขาลบหลู่เราหน่อยดูถูกดูแคลนเราหน่อยท่นี้ก็ทำให้เราไม่สบายใจหรือใครเขาขัดใจเราหน่อยก็จะไม่สบายใจไปทั้งวันเลยอันนี้คือเรื่องของใจของปุถุชน ต่างจากใจของพระอริย์พระอริยะนี้ท่านจะสบายไปตลอดไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรใครจะด่าใครจะชมก็เท่ากันเพราะใจท่านไม่ได้ไปพึ่งความสุขจากการได้ยินคาชมเมื่อท่านไม่ได้พึ่งความสุขจากการได้ยินจะคาชม ท่านก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาไม่ชมเวลาเขาด่าก็ไม่เดือดร้อนเขาด่าก็เป็นเรื่องของเขาเอเขาชมก็เป็นเรื่องของเขาเออเราเป็นคนฟังก็ฟังไปเท่านั้นเองเออฟังแล้วก็จบเอพราะเราไม่ได้ไปต้องการให้เขามาชมเราหรือไม่ต้องการให้เขาไม่มาด่าเราเขาด่าเราก็ไม่เดือดร้อนเขาชมเราก็ไม่ดีใจเอ เพราะเรามีความสุขอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการได้รับจากการได้ยินเสียงเอชื่นชมสรรเสริญเยินยอต่างๆก็เป็นแค่เสียงเหมือนเสียงจิกจกเมื่อกี้ที่บันล้อมจิกๆนั่นเองมันก็เสียงเสียงชมมันก็เป็นเสียงเสียงด่ามันก็เป็นเสียงเมื่อกี้จิกจบมันด่าเราหรือมันชมเราเราก็ไม่รู้ ใช่ไหมมันก็แค่เป็นเสียงเห็นเสียงชมมันก็เสียงเสียงด่ามันก็เสียงมันจะต่างกันได้ยังไงมันจะมาทําให้เราดีใจเสียใจได้ยงไงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันเอออันนี้เป็นเพราะว่าเราไปไปฝึกจิตของเราให้ไปอ่ายินดียินไายกับเสียงต่างๆถ้าเสียงช ม, มก็ฝึกจิตให้ดีใจเอ ถ้าเสียงด่าก็ฝึกจิตให้เสียใจไปสอนมันอย่างนั้นเองเมื่อไปสอนมันอย่างนั้นพอมันได้ยินเสียงด่ามันก็เสียใจเลยพอมันได้ยินเสียงชมมันก็ดีใจเพราะเราไปสอนให้มันเป็นอย่างนั้นเองเรามาสอนจิตได้ใหม่วิธีสอนจิตได้ใหม่ก็คือเนี้ยมาทำจิตให้สงบพอจิตให้สงบพอจิตมันสงบแล้วมันมันจะเปลี่ยน การมีความรู้สึกต่อเสียงเสียงชมมันก็จะเฉยเสียงด่ามันก็จะเฉยนี่แหละคือความวิเศษของความสงบนอกจากให้ความสุขแล้วยังทำให้ใจเฉยใจด้านกับสิ่งต่างๆไม่ได้ด้านแบบหน้าด้านเน่ด้านแบบด้านแบบไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับ สิ่งที่มาสัมผัสรับรูบร้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสจะดีจะชั่วก็เหมือนกันเท่ากันมันแค่แค่เป็นแค่รูปเห็นด้วยตาเสียงจะดีจะชั่วก็เป็นแค่เสียงะไม่ได้ไปคิดว่ามันดีหรือชั่วเอจิตที่สงบมันจะเป็นอย่างนั้นจิตที่สงบมันจะไม่ปรุงแต่ง มันจะไม่ไปปรุงแต่งว่านี่เสียงด่าหรือเสียงชมมันจะเฉยๆมันจะเพียงแต่รับรู้ว่าเป็นเสียง น, นี่คือประโยชน์และวิธีที่จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆต้องมาสร้างความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าจิตมีความสงบแล้วจิตจะพลิษ หน้ามือเป็นหลังมือเป็นอยากจิตที่คอยวุ่นวายอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อย่างอะไรต่างๆนี้มันจะหายไปหมดความอยากอะไรต่างๆมันจะหายไปหมดพอความอยากหายไปความสบายใจก็ปรากฏขึ้นมาความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเรานี่เอง สังเกตดูอยากเวลาอยากได้อะแล้วสบายใจไหมเวลาอยากได้อะไรนี่จะกะวลกวายกัศบกัสสายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะได้แฟนนี่พรุ่งนี้จะไปขอไปสู่ขอเขานี่พรุ่งนี้ไปบอกเขาว่าจะขอขอเป็นแฟนด้วยขอแต่งงานด้วยทั้งคืนนอนไม่หลับใช่ไหมกวลกวายกัศบกรสกรสาย เราไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับเราเป็นแฟนหรือเปล่าเนี่ยความอยากมันสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแล้วถ้าไปพอได้ก็ดีใจถ้าไปขอเขามาเป็นแฟนเขารับโอ้ยก็ดีใจใหญ่ถ้าเกิดเขาไม่รับนี่ก็เสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกช้ำอกช้ำใจขึ้นมาอีก แต่ถ้าไม่มีความอยากให้เขามาเป็นแฟนเรานี้นอนสบายคืนนี้นอนสบายเพราะไม่ได้ไปหวังอะไรพอหวังอะไรแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สบายขึ้นมานี่แหละคือตัวที่ทำให้ใจเราไม่สบายคือ ต, ตัวความอยากต่างๆนีอ้อยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ หรืออยากไม่ได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวทำให้เราไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเพราะเราไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงของจิตใจหรือว่าจิตใจของเราทุกข์เพราะอะไรเราจะไม่มีวันรู้ความจริงอันนี้เลย ถ้าเราไม่ได้พบกับพระอริยบุคคลไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบกับพระอริยสงฆ์นี่เราจะไม่ได้ยินคำว่าพระอริยสัจสี่เราจะไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากอะไรกันแน่เราก็จะไปคิดว่าเกิดจากคนนั้นมาด่าเรา เขามาด่าเราก็เลยทำให้เราไม่สบายใจก็เลยพยายามไปแก้ที่เขาไปขอร้องว่าอย่าด่าได้ไหมก็บางทีก็ขอร้องได้บางทีก็ขอร้องไม่ได้พอเขาด่าเราทีไรเราก็เสียใจขึ้นมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสียใจของเราต้นเหตุของความเสียใจของเราอยู่ที่ใจของเรา ไ่อยากให้เขาไม่มาด่าเราเท่านั้นเองถ้าเราเปลี่ยนใจยอมให้เขาด่าไนดะ้เราจะไม่เดือดร้อนเะนาะใครอยากจะด่าอะไรด่าไปยินดีที่จะฟังการที่จะทำใจให้ยินดีที่จะฟังเสียงด่าได้ก็ต้องมาทำใจให้สงบนี่เองถ้าไม่สงบต่อให้พูดยังไงคิดยังไงพอโดนด่าปั๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาทันที พอได้ยินเสียงดา่าปุ๊บมันจะต้องโกรธหรือจะต้องเสียใจขึ้นมาทันทีถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบออใจจะไม่เด้งจะไม่ต่อต้านจะไม่มีปฏิกิริยาต่อเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบทาใจให้นิ่งไดออ้ถ้าเราทำใจให้นิ่งได้แล้วความอยากจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองความอยากไม่ให้เขาด่าเรามันจะไม่มีเมื่อไม่มีความอยากให้เขาด่าเรา เวลาเขาด่าเรามันก็เฉยมันไม่ได้ไปเสียใจไปดีใจเพราะมันไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าหรือความอยากให้เขาชมก็ไม่มีเวลาเขาชมก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจขึ้นมาใจก็จะเฉยใจก็จะสงบนี่คือสิ่งที่ทำให้อภะอริยะกับพวกเราต่างกัน ก็คือตรงที่ท่านสามารถควบคุมความอยากของท่านได้ท่านสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ท่านสามารถหยุดมันได้ด้วยการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์ พเวลาใจมีความสงบในความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะไม่มีเมื่อมันไม่มีเวลาแก่มันก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่ใช่เกิดจากความแก่เข้าใจไหมความแก่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากไม่แก่บางคนอยากแก่กับดีใจเสียใช่ไห เด็กนี่เวลาเป็นเด็กนี่ไม่ชอบอยากแก่กันใช่ไหมอยากจะโตเร็วๆเอพอได้โตเป็นผู้ใหญ่โอ้ดีใจกันใหญ่เห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่แก่หรือไม่แก่มันอยู่ที่อยากหรือไม่อยากถ้าอยากปั้มมันจะไม่สบายใจขึ้นมาทันทีไม่ว่าใจเป็นอยากในทางบวกหรืออยากในทางลบอยากสวยอยากงามอยากบานไม่รู้้วย อยากสวยไม่สางนี่พอม well, earth, ันรวยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกขึ้นมาเมื่อนั้นพอมันสางขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกขึ้นมาเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันบานไม่รู้รวยอยากให้มันสวยไม่สางเวลามันสางก็ไม่ทุกเวลามันรวยก็ไม่ทุกเพราะไม่มีความอยากนี่คือความแก่ความเจ็บความตาย นี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ไงถ้ามันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์เลยพระอริยสงสาวุษก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ท่านไม่ทุกข์กันก็เพราะว่าท่านไม่มีความอยากท่านทําใจให้นิ่งสงบได้ความอยากจะหยุดดก็ต่อเมื่อเราทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้น ถ้ามันไม่นิ่งแล้วเดี๋ยวความอยากมันจะผุดขึ้นมาจะโผล่ขึ้นมานี่คือเรื่องของพระอริยะเรื่องของพระอริยสัจความจริงของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่รู้ความจริงของเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุของความทุกข์เรื่องของการดับทุกข์ เรื่องของวิธีการที่จะทำให้ทุกข์มันดับไปท่านรู้สี่อย่างนี่ท่านจึงสามารถดับความทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะท่านรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าไม่อยากให้ทุกข์ก็หยุดมันท่านก็รู้จักวิธีทำให้ความทุกข์หยุดยุดวิธีหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบนี่เอง เหมือนพวกเราสมัยนี้เราก็รู้เช่นเรารู้ว่าเวลาจะเปิดไฟเปิดที่ตรงไหนเวลาจะปิดไฟปิดที่ตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันอยากจะเปิดไฟก็ต้องไปไปกดที่สวิตพอไปกดที่สวิตไฟก็ไฟที่ดับก็เกิดขึ้นมาพออยากจะดับไฟก็ไปกดที่สวิตนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกัน ความทุกข์ของเราก็มีสวิตเอสวิตที่ทําให้ความทุกข์เกิดก็คือความอยากอถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็อไปปิดสวิตสิอย่าไปอย่าไปปล่อยให้ความอยากเกิดขึ้นมาปัญหาของพวกเราตอนนี้คือเราหาสวิตไม่เจอกันเราหาสวิตที่จะที่จะมาปิดไฟไม่เจอกันอไม่รู้จักวิธีปิดสวิตปิดยังไงรู้แต่วิธีเปิด รู้แต่วิธีเปิดรู้แต่วิธีสร้างความทุกข์แต่ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์กันเราเลยต้องมาพบกับพระอริยะบุคคลมาได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจสีเมื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีดับทุกข์ดับอย่างไรวิธีดับทุกข์พระอริยะทุกทุกองค์ก็จะสอนแบบเดียวกัน ทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบเนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมื อ, อมเพียงแต่คิดเฉยๆว่าจะให้มันสงบนี้มันไม่สงบจะสงบจริงๆนี้ต้องไปออกบวชต้องสลสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆทำบุญทำทานการสลสมบัติก็เรียกว่าการทำบุญทำทาน มอบเงินทองที่เรามีอยู่นี้ให้คนอื่นจะเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเวลาไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าอยากจะหาความสุขอยากจะไม่ทุกข์ต้องเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ ถ้าเรายังใช้เงินทองเป็นเครื่องมืออยู่เราจะไม่สามารถไปอไปบวชได้ไปทําใจให้สงบได้เห็นคนที่ต้องการที่จะไปทําใจให้สงบนี่จําเป็นจะต้องทําบุญทําทานให้หมดเลยเอย่าไปใช้เงินแม้แต่บาทเดียวสําหรับการอาไปหาความสุขหรือดับความทุกข์ อย่างพวกนักบวชนี่เขาสละหมดเลยเงินทองพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายศิทธธิธรมมีเงินมีทอง ม, มากน้อยไม่เอาไปแม้แต่บาทเดียวไปบวชทิ้งสมบัติไว้ให้คนอื่นไปใครอยากจะได้ก็ให้เขาไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราถ้าอยากจะไปบวชอยากจะไปทำใจให้สงบ เพื่อดับความทุกข์ต่างๆเราต้องสละสมบัติตอนต้นเราอาจจะสละทีเดียวหมดเลยไม่ได้ก็ให้ค่อยๆหัดทําทีละเล็กทีละน้อยทำมาละเล็กวาละน้อยเช่นใส่บาทนีแทนที่จะเอาเงินใส่บาทนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรก็สละมาให้กับการใส่บาทก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้คนยากคนจนก็ได้หัด เสียสละทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วก็ค่อยทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาไปทําบุญเพราะเป็นการซื้อความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่เราได้จากที่เราใช้เงินนี่มันจะหมดไปพอมันหมดแล้วความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาอีกอ น, นี่คือขั้นแรกของการที่จะทาให้เราไปทาใจให้สงบได้ เราต้องหัดเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นเครื่องมือดับความทุกข์พอเราไม่ต้องใช้เงินทองได้เราก็จะไปบวชได้ไปถือศีลได้ไปฝึกไปฝึกจิตฝึกใจไปควบคุมจิตควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้อันนี้คือสิ่งที่เราถ้ายังใช้เงินทองอยู่ เราจึงต้องมาเอาเงินทองมาใช้ในทางที่ไม่เกิดโทษเป็นประโยชน์คือเอาไปใช้กับการทำบุญพอจะทำให้เราเลิกพึ่งเงินพึ่งทองได้ต่อไปทำให้เราสละเงินทองได้ทำให้เราไปบวชได้ในช่วงที่เรายังทำบุญอยู่เราก็ต้องหัดรักษาศีลไปก่อนเพราะถ้าไม่หัดรักษาเดี๋ยวไปบวชก็รักษาก็บวชไม่ได้ เราต้อฝึกหัดรักษาศีลไปก่อนฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบไปก่อนต้องซ้อมหัดซ้อมไว้ก่อนทําพอเรารู้ว่าเราทําได้แนละ้วเราก็ไปได้เลยพอเรารู้ว่าเรารักษาศีลได้ศีลนั่งบวชมีกี่ข้อเรารักษาได้เอเรารู้จักวิธีนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็ไปบวชได้เลย สละเงินสละทองสละทรัพย์สมบัติต่างๆไปได้หมดเลยแล้วเราจะได้ทุ่มเทเวลาของเราทั้งหมดให้กับการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าเราได้ทุ่มเทเวลาแลวเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบนะไม่นานพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปี จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนหลุดพ้นด้วยการเนี่ยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหยุดใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอย่าไปเอาเงินทองไปเที่ยวเอาเงินทองไปซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นทั้งหลายซื้อของจำเป็นได้ไม่เป็นไรซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัย จำเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ของไม่จําเป็นอย่าไปซื้อเหมือนเอาไปทําบุญแทนจะได้เลิกซื้อของซื้อจะได้เลิกซื้อของจะเลิกเที่ยวได้ถ้าไม่เอาเงินที่เที่ยวไปทําบุญเดี๋ยวก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆถ้าไม่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สามารถไป euh, บวชได้ น, นี่คือ วิธีการที่จะทำให้เราเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเป็นผู้ที่อยู่โดยไม่มีความทุกข์ก็คือต้องทำตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าทำทานสละสมบัติไปบวชรักษาศีลของนักบวชเราก็ใช้เวลาให้ทำใจให้สงบให้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง ถ้าควบคุมใจให้สงบได้ตลอดเวลาความทุกข์ก็จะไม่มีเกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง เอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมมิจโตุสัพเพปุลัยนโตสังกปาจันโทปนาหราโสยะธาเมณิโชติ อาระโสยะธาสัพภิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวทานติ อายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ฟสี่ร้อยเก้ายูทร้อยห้าสิบสี่วิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดผู้รับฟังบนขา 23, ่ายี่สิบสามรวมหกร้อยสิบสามค่ ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นช่องถามปัญหาแนละ้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะ มีค่ ะ, ะถามไปเลยมีอะไรก็ถามไปขอกราบนมรส ก, การขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะจะขอขมาพระอาจารย์เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วพูดโพรงออกไปโดยไม่ตั้งใจค่ะที่พระอาจารย์สอนสั่งทีนี้อยากเรียนถามว่าการที่เราพูดโพ่งออกไปคือความอยากใช่หรือไม่คะก็ะไม่มีสติ่งสติมันไม่ไต่ายตองก่อน ก่อนจะออกจากบ้านเรามีเวลาไต่ตองมากหน้าตาเราดีหรือยังออถ้าไม่ดีเรายังไม่ออกจากบ้านใช่ไหมต้องดูก็จบต้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนเอแต่ความคิดนี้มันเร็วกับร่างกายมากร่างกายมันยังมีเวลาให้เราได้อตั้งหลักได้แต่ความคิดนี้มันบางทีมันเร็วกว่าเราเออ พอมันคิดอะไรปั๊บมันพูดออกมามันปล่อยออกมาทันทีเหมือนปืนเนี่ยเหมือนลูกปืนพอรั้นไกลปั๊บมันก็วิ่งพูดออกมาทันทีไม่เพราะเราขาดการยั้งคิดขาดสติขาดปัญญานั่นเองสติก็เคยหยุดคิดก่อนหยุดหยุดความคิดที่จะทําอะไรก่อนเราก็ใช้ปัญญาไต่ตองก่อนว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดหรือถ้าจะพูดควรจะพูดอย่างไรดี อันนี้มันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเพราะมันกายมันจะเป็นนิสัยแล้วมันไม่ใช่ว่าจะทำได้แบบง่ายๆมันต้องคอยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวก็พลาดอีกเดี๋ยวพอไปไปเจอไปได้ยินอะไรเข้าเดี๋ยวก็จะตอบออกมากพุกธพัดทันทออีก็ไม่เป็นปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าใ ห, ใ, หให้อภัยกันอยู่แล้วออไม่ให้ถือสากัน ก็ควรที่จะระมั่นระวังถ้าไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผูดที่เขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเท่านั้นเองเพราะคบค้าแล้วเจ็บตัวใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราอยากจะ อ, อยู่ในสังคมอยู่กับอยู่ยกับผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังในการพูดของเราในการกระทําของเรา ถ้ามันเขาวัฏระวังไม่ไต่ตรองไม่ยั้งคิดนี่พูดไปตามอารมณ์เดี๋ยวก็จะไม่มีใครเ็าอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแล้วที่กระทำไปบาปมากไหมคะไม่รู้เราจำไม่ได้้วมันก็มันก็บาปถ้ามันถ้ามันไปลักทรัพย์มันก็บาปแต่แล้วแต่มันไปผิดข้อไหนถ้ามันไม่ได้ไปลักทรัพย์มันไม่ได้ไปฆ่าสัตว์มันก็ยังไม่บาป มันบาปทางใจมันบาปทางความคิดแต่ถ้าความคิดพาให้ไปสู่กายก็ทำบาปทางวาจาทางกายมันก็จะเป็นวิบาขึ้นมาถ้าเป็นเพียงแต่ความคิดมันก็จะเป็นมันก็จะติดอยู่กับความคิดแบบนั้นถ้าไม่ถ้าถ้ารู้ผิดแล้วพยายามเจาะแก้ไขมันอาจก็จะแก้ไขได้ต่อไปก็อาจจะไม่คิดแบบนั้นทาแบบนั้น กราบขอบพระคุณครับพรอาจารย์ <c oughs> คำถามจาก Facebook ค่ะคุณคณิตฐา <c oughs> การที่เราออกหน้ารับผิดแทนเจ้านายเรื่องการเลื่อนชําระหนี้ของบริษัทถือว่าเราทําถูกไหมคะเราจะบาปไหมคะออกหน้าแบบไหนถ้าไปรับค่าเสียหายไปชดใช้ค่าเสียหายได้มันจะบาปตังไหนเช่นบริษัทขาดทุนล้านหนึ่งแล้วรับออกหน้าจะรับชดใช้ให้ อย่างนี้มันไม่บาปเรียกว่าทาบุญแต่ถ้าไปออกหน้าเพื่อที่จะปลกปิดความชั่วของคนอื่นนี่อันนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงมันก็บาปใช่ไหมเช่นความผิดอยู่ที่หัวหน้าแต่เราไปรับผิดแทนหัวหน้าอย่างนี้เพื่อให้หัวหน้าไม่รับผิดนี้มันก็เป็นการโกหกหลอกลวงถึงแม้ว่าจะยอมรับค่าเสียหายยอมไปติดคุกติดตารางแทนแทนหัวหน้า แต่มันก็เป็นการกระทาทีา่หลอกลวงผู้อื่นอันนี้เขาบอกว่าเลื่อนชำระหนี้่เป็นการเลื่อนเลื่อนชำระหนี้เลื่อนะเลื่อนชาระหนี้แล้วไปยังไงจะบาปไหมฮะการออกรับแทนในการเลื่อนชำระหนี้หมายถึงเขามาเขามาต้องไปบอกเขาว่ายังจ่ายให้ไม่ได้ไปพูดแทนเจ้ า, านายค่ะ ก็เปนก็พูดแทนบริษัทตอนนั้นไม่ใช่นะมันจะไม่ได้เป็นหนี้ของใครไม่ใช่นะ ม, มันก็เพียงแต่ทาหน้าที่แทนกันนั่านั้นก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ในฐานะของเราที่จะทําหน้าที่นั้นหรือเปล่าอาแล้วคนที่เขาฟังเขาจะฟังเราหรือเปล่าออใช่มไหมมันก็อยู่ที่เกิดเราเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้แล้วคนที่ไม่เกี่ยว ข, าาขอ้องมามขอเลื่อนหนี้เราจะไปฟังเขาเปล่า เราก็ต้องไปพูดกับคนที่เขาเป็นตัวแทนของบริษัทจริงๆเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเมื่อเลื่อนนี้แล้วอยาจะจ่ายก็ต้องบอกไม่ใช่เลื่อนไปเฉยๆแล้วเขาจะรับได้หรือไม่ได้เขาก็ต้องไปปรึกษากับทนายของเขาก่อนก็ได้เอถ้าเขารับไม่ได้เขาก็จะฟ้องร้องอยู่ดีจะไปเลื่อนนี้หรือไม่เลื่อนนี้ใครจะเป็นคนมาเลื่อนก็ก็เอ เขาก็ต้องดูว่าเราเป็นตัวแทนมีเป็นผู้มีมีหน้าที่ที่จะพูดแทนได้หรือเปล่ า, าถ้าไม่มีหน้าที่เขาก็ไม่ฟังเราอยู่ใช่ไหมนั่นมันไม่มั น, ม, นมันเป็นเรื่องของ เ, อเรื่องของความจริงอะเรื่องของความจริงว่าหนึ่งเรามีหน้าที่จะพูดแทนพูดแล้วมีน้ําหนักก็บางพูดแล้วเขาจะฟังเราหรือเปล่าว คำถามต่อไปจากคุณระพีพาระหว่างการปล่อยวางทุกข์กับการละทิ้งแห่งทุกข์แตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อทุกข์มันเป็นผลผลเราไปละมันไม่ได้เราต้องไปละเหตุเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์มันก็ไม่เกิดเห็นเวลาทุกข์เกิด เราต้องไปหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรถ้าศึกษาก็จะรู้ว่าเกิดจากความอยากเราก็ไปหยุดความอยากนั้นเช่นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจนั้นหายไปก็หยุดความอยากนั้นไม่เอาซะเปลี่ยนใจอยากได้กระเป๋ารองเท้าเห็นแล้วสวย แต่เงินไม่พอต้องไปหาเงินมาเพิ่มช่วงที่หาเงินมาเพิ่มใจก็กรงวนกรงวายก็ไม่อยากจะไม่สบายใจก็เปลี่ยนใจตอนนี้ไม่เอาก็ได้ไว้มีเงินค่อยค่อยว่ากันใหม่ความกรงวนกัวายก็จะหายไปเพราะอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวหาเงินมาได้แล้วเดี๋ยวของที่เราอยากได้คนอื่นเขาซื้อไปก่อนอะไรทํานองนี้มันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจ เมื่อเกิดความไม่สบายใจถ้ารู้ว่าเหตุเกิดจากความอยากได้ของเหล่านั้นถ้าอยากจะให้มันหายไปก็อย่าไปอยากเปลี่ยนใจนะไม่เอาก็ได้กระเป๋ารองเท้าคู่นี้ชุดนี้เดี๋ยววลอลลรให้มีเงินใหม่แล้วค่อยมาดูว่ามีชุดไหนที่เราชอบอยากได้ก็ค่อยไปซื้อมันก็ได้แต่ชุดนี้ช่างหัวมั น, ม, นมันกครอยเอาไปก็ให้ก็เอาไปมันก็จะไม่กวนกาวาย คำถามต่อไปจะคุณจันเพนเมื่อเราปฏิบัติธรรมแบบจริงๆแล้วเราอยังเปิดเพลงฟังอยู่แบบนี้เรียกผิดไหมเจ้าคะพอเราฟังแล้วก็เพลินไปกับเพลงเจ้าคะก็นั่นสิมันก็ไม่มีสตินะฟังเพลงไปมันก็เพลินจิตมันก็ไม่ไม่นิ่งไม่สงบไม่ว่างมันก็ไปติดกับเสียงเพลงติดกับเสียง พอไม่ได้ฟังมันก็จะทุกข์มันก็เวลาจะนั่งสมาธิมันต้องไม่ฟังพอจะไม่ได้ฟังมันก็ทุกข์มันก็นั่งไม่ได้คํา yeah. คำถามต่อไปจากคุณแพตตี้พอถึงวันพระต้องไหวพระไหวเจ้าซื้อผลไม้มาถวายพระพุทธรูปและไหวเจ้าที่ที่บ้านและองค์ท้าเวสุวรรณไม่ทราบว่าผลไม้ที่ถวายแล้วท่านได้รับไหมคะ หรือถวายน้ำเปล่ากับดอกไม้อย่างไหนที่ท่านได้รับคะเขาลองก่อนจะถวายก็ไปชั่งน้ําหนักดูก่อนเนี่ยว่ากี่กิโลผลไม้กี่กิโลดอกไม้กี่ก ร, รมัมแล้วเวลาถวายเสร็จแล้วก็เวลาที่จะเ อ, เอาเก็บมาก็ไปชั่งน้ําหนักใหม่ดู ว่ามันเท่าเดิมหรือมันน้อยลงไปหรือเปล่ปาถ้ามันน้น้อยก็แสดงว่าท่านกเอาไปกินแล้วบางส่วนแต่ถ้ามันยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เราที่จะถวายกับตอนที่หลังถวายมันเท่ากันก็แสดงว่าไม่มีใครเอาไปเลยใช่ั้มมีใครเอาไปหรือเปล่ปา <laughs> ไม่น่าจะถามเลยของเห็นชัด เห็นชัดๆกันพระพุทธรูปกินได้ที่ไหนเนาะพระพุทธรูปมีท้องมีลำไส้มีมีฟันมีอะไรเคี้ยวเปล่าไม่มีแล้วจะจะไปกินได้ยังไงเราไปให้ทําไมเขาไม่ได้สอนให้ไปเอาดอกเอาของไปให้พระพุทธรูปกินเลยเขาสอนให้ไปใส่บาตรให้ใส่พ้าที่มีปากมีท้องกินถ้อาอยากจะบูชาก็ให้เอาไปบูชาด้วยการใส่บาตร ต่อไปถ้าอยากจะถวายของให้พระพุทธรูปยกเว้นดอกไม้ทูบเทียนนี้เป็นเครื่องสักการะแลเป็นเครื่องแสดงความเคารพเท่านั้นเองซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกราบเฉยๆก็เคารพได้แลกราบสามครั้งหรือจะกราบร้อยครั้งก็ได้เคารพมากก็กาบมากยิ่งกราบมากก็ยิ่งดีเพราะเป็นเหมือนการฝึกสติไ แทนที่จะเวลาไปเต้นร้างเต้นกาก็มานั่งกราบพระดีกว่ามีนิกายของพุทธอยู่นิกายหนึ่งที่สอนให้กราบทุกสามเก้ามีฝรั่งที่เขาบวชแล้วก็เอาไปใช้เขาเดินจากเมื อ, หมองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งทุกสามเก้าเขาก็จะกราบข้างหนึ่งแล้วก็เดินสามเก้าแล้วก็จะกราบอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง คือเป็นการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ให้ไปดูหนังไม่ให้ไปฟังเพลงให้ไปกราบพระแทนอันนี้ก็เป็นการฝึกสติไปในตัวเป็นการดึงใจออกจากกามสุขแต่ยังไม่ยังไม่ได้ผลร้อยร์์ยังไม่ได้ดับความทุกข์ได้ร้ออร์แต่เป็นการเริ่มต้น นถ้าอยากจะบูชาพระพุทธรูปของที่ไม่มีชีวิตก็ถ้ามีทุบดอกไม้ทูปเทียนก็ใช้ดอกไม้ทูปเทียนไม่มีก็ใช้กายวาจาของเรากายของเราก็ได้จะสวดบทอิติปิโสแล้วก็กราบก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็กราบสวะขาโตเสร็จแล้วก็กราบสุปฏิปันโนเสร็จแล้วก็กราบ กราบมากกว่าสามครั้งก็ได้อยากจะได้บุญมากก็กราบมากมอกสวดมากมากเอาสักสามสิครั้งก็ได้เอาถ้าอายุเราก็ได้ก็มีก็มีวิธีแก้เค็ดอยากจะได้บุญอยากจะแก้ปัญหาก็ให้ให้กราบพระตามอายุให้สวดอิติปิโสตามอายุอายุสามสิบก็สวดมันสาสิบรอบ อายุห้าสิบก็สวดห้าสิบรอบเพราะการสวดจะบรรเทาความอยากในสิ่งต่างๆได้ทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมันเบาบางลงไปคำถามต่อไปจากคุณพิมพรการที่เราไปบวชถือศีลภาวนาและเรามีความตั้งใจที่ไปบวชปฏิบัติธรรมเพื่อที่เรามีความสุขในการปฏิบัติสุขนี้กราบเรียนถามเจ้าค่ะ ว่าหนูเห็นคนเขาคุยกันว่าเขามาบวชเพราะเขาตั้งจิตว่าขอให้ได้แบบนั้นแบบนี้พอเขาได้แล้วเขาก็มาแก้สามวันเจ็ดวันอยากเรียนถามว่าผิดถูกอย่างไรเจ้าคะก็ไม่รู้ว่าเขาขออะไรอขอแล้วมันมันได้หรือเปล่าเรียกว่าเป็นการบังเองิญอถ้าขอได้ก็ดีไม่ต้องมานั่งเอ ไม่ต้องมาทำมาหากินอยากได้อะไรก็ไปขอไปอยู่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันเราอยู่วัดมาต้องสามสิบสี่สิบปีแล้วยังไม่ได้เลยทั้งทุกอย่างโะไม่ <c oughs> พาะาเราไม่ได้ขอก็ไม่รู้นะถ้าขออาจจะได้ก็ไม่รู้นะถ้าขอได้ก็ดีศาสนาพูดนี้ไม่ได้เป็นศาสนาขอ ศาสนาธรรมออพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอยากจะได้แล้วเราต้องทำออขอไม่ไดออ้อยากจะได้นิพพานก็ต้องปฏิบัติศรรีลสมาธิปัญญาอยากได้สวรรค์ก็ต้องทำบุญรักษาศีลห้าอย่างนี้ถ้าอยากปิดอบายก็ต้องรักษาศีลห้าอันนี้ต้องอยู่ที่การกระทำาผลถึงจะเกิด คำถามต่อไปค่ะจากคุณบินิเมตผลกรรมในอดีตรเราสามารถทำอะไรหรื อ, ห ร, อ, ห, รอหรือลดวิบากกรรมได้ไหมคะการขออโหสิกรรมหรือการทำบุญอะไรดีคะคือกรรมต่างๆที่เราทำไว้ไปลดมันไม่ได้หรอกนต่เราทำได้ก็คือเราพยายามทำบุญให้มันมากกว่าบาปที่เราทำไว้ แล้วบุญนี้มันจะส่งผลก่อนบาปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญเวลาเราตายไปบาปมันจะส่งผลก่อนก่อนบุญแต่ถ้าบุญของเรามากกว่าบาปบาปมันจะส่งผลก่อนถ้าบุญมากกว่ามันก็จะดึงใจให้เราไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะดึงให้เราไปอบายก่อนแต่มันไม่ลบล้างกันเพียงแต่ว่า ใครมีกำลังมากกว่ากันมันก็จะดึงไปทางทางของมันได้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจไปทางบาปไปรับวิบากของบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางทางบุญแต่บาปกับบุญก็จะต้องส่งผลช้าหรือเร็ ว, รวคำถามต่อไปจากคุณโก้ เมื่อศึกษาปฏิบัติเรียนรู้กายกับใจตามหลักศาสนาพุทธพบว่าวิวัฒนาการของจิตสูงสุดคือจิตจะทำลายตัวจิตเองไปสู่ความไม่มีจิตใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกจิตทำลายจิตเองไม่ได้จิตทำลายกิเลสได้วิวัฒนาสูงสุดคือจิตทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตให้มันหมดไปแล้วจิตก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธ เป็นจิตที่ปราศจากความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตนั้นเองฉั้นจิตไม่ได้ทำลายจิตจิตทำลายกิเลสตัณหาทำให้จิตว่างจากกิเลสตัณหาทำคําว่างนี้ไม่ได้หมายความว่าศูนย์คำว่าศูนย์ไม่ได้หมายความว่าหมดคำว่าศูนย์แปลว่าว่างจากกิเลสศูนย์จากกิเลสไม่ได้ศูนย์จากจิตจิตไม่มีวันศูนย์ คำถามต่อไปจะคุณโอเล่ตอนนี้แฟนผมท้องแต่ก็พากาันทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วก็ขึ้นเขาไปฟังธรรมะของหลวงพ่อบอ่อยครั้งอยากทราบว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ทำจะส่งผลให้ลูกในท้องมีจิตใจที่ดีหรือไม่ครับเรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องของลูกขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เขาทามาเป็นตัวกาหนดให้เขามีจิตใจดีแล้วไม่ดี ส่วนที่เราทําได้ก็ให้ร่างกายเขาที่ดีแล้วไม่ดีได้ถ้าตั้งค้องเราไปกินเหล้าไปเสพยาเสพติดเนี่มันก็จะมีผลกระทบต่อเด็กในท้องได้เฉั้นเวลาตั้งท้องนี้ต้องพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์ออย่าไปทําอะไรที่เป็นโทษต่อร่างกายเพราะมันจะส่งผลต่อร่างกายของลูกได้เออันนี้เราทําได้เฉพาะส่วนของร่างกาย แต่ส่วนของจิตใจนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันคนอัวส่วนกันความดีชั่วของจิตใจมันเกิดจากพฤติกรรมที่ทำมาในอดีตนะถ้าเคยทำความดีจิตมันก็จะดีมาถ้าเคยทำความชั่วจิตมันก็จะชั่วมาคำถามต่อไปจะคุณแสงจันถ้าเราถวายเทียนพรรษาเล่มเล็กๆ ก, กับพระที่มาบิณฑบาตจะเหมาะสมไหมคะ ก็ตามใจเลยถามท่านใช่ไหมเหมาะสมไหมท่านรับได้ไหมก็ต้องดูว่าท่านมีอตามปกติการบินทบาทนี้ควรจะให้แต่อาหารเท่านี้นเองท่านมาบินทบาทอาหารส่วนของใช้ไม่สอยนี้ควรจะไปถวายที่วัดจะเหมาะกว่าเงั้นเดี๋ยวพลุนพลังไปหมดเดี๋ยวคนนั้นถวายเทียนคนนี้ถวายทูบคนนั้นถวายภาพาน้ำฝนว่า ดีไม่ดีถวายทั้งพุ่มอนี้จะถือไปไงถ้าบินฑบาตองค์เดียวไหยังเว้นถ้าไปแบบขบวนนี่ได้อยู่อย่างวัดยานี่เราไปทั้งขบวนเ อ, อมีคนมาคอยสนับสนุนมีลูกศิษย์คอยมารับของต่างๆอย่างนี้ก็ถวายได้สายเราบิณฑบาตนี่ถวายทุกอย่างเลยบางคนอยากจะถวายอะไรหม้อทั้งหม้อก็ถวายมาก็มี แต่ก็มีลูกศิษย์มาคอยรับช่วงต่อไปมีรถใสก็เป็นมันต้องดูความเหมาะส ม, มพูดง่ายๆของเหล่านี้มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญหรือบาปหรืออะไรมันเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเหมาะสมหรือไม่มันสะดวกหรือไม่ถ้ามันไม่สะดวกก็อย่าทำมันถ้ามันสะดวกก็ทำมันคำถามต่อไปจากคุณชัยยศการปฏิบัติเนศชิกของคารวาา ด, ดีหรือไม่ และควรปฏิบัติหรือไม่ครับก็ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนให้ปฏิบัติทําไมเพียงแต่ว่ามันจะยากต่อค า, วาราวะคารวะปฏิบัติได้ก็ดีเพราะในสัจชิกนี่ก็คือให้ถือสามียถาบทท่ายืนท่าเดินท่านั่งไม่ไม่ให้มีท่านอนเกินจะให้หลับนอนให้น้อยที่สุดน ถ้าจะหลับก็คงจะต้องหลับในท่านั่งนั่งสมาธิแล้วก็หลั บ, บคอพับไปมันก็จะหลับไม่ได้นานเพราะหลับนานๆเดี๋ยวมันก็เมื่อยคอมันก็ต้องตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาอยู่ในหน้านั่งสมาธิก็นั่งสมาธิต่อไปเลยนี่คือเป้าหมายของผู้ถือที่ถือในสัต ช, ชิกเพื่อต้องการให้นอนให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้มากที่สุดพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นนั่งบวชเพราะเขาไม่มีงานอย่างอื่นทํา ถ้าเป็นคารวา่ะถ้าไม่มีงานณทะาปฏิบัติแบบพาได้ก็ใช้ได้เช่นถ้าช่วงไปอยู่วัดอย่างนี้ไปปฏิบัติทำห้าสามวันห้าวันจะถือไม่นอนทั้งสามวันห้าวันก็ได้ถ้าทําได้ก็ทําไปแต่จะทําทเฉพาะท่าอย่างเดียวคือไม่นอนแต่ไม่ภาวนาก็เสียเวลาเปล่าๆที่ให้ถือสามท่าเพื่อจะได้ภาวนาจะได้มีเวลาภาวนามากๆจะได้ไม่นอนมากเกินไป แต่ถ้าถือสามท่าแล้วก็ไม่ภาวนาปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านนี้ก็อย่าไปถือมันให้เสียเวลาเปล่าๆคำถามต่อไปจะคุณแมวเหมียวไม่ต้องออกบวชแต่ทำบ้านให้เป็นวัดปฏิบัติอยู่กับบ้านไม่ต้องไปวัดเจ็ดวันสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่เจ้าคะก็อลองดูซิอถ้า ถ้ามีครบสูตรมันก็ได้มันอยู่ที่สูตรเนี่ยสูตรที่จะทําให้บรรลุธรรมเ อ, อสามารถมีสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือเปล่าสามารถนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งตั้งอยู่เป็นชั่วโมงได้หรือเปล่าสามารถมองเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงได้หรือเปล่าออถ้าเห็นก็สามารถที่จะบรรลุได้แต่ว่าแตเจ็ดวันในวันเดียวก็ได้เมนันไม่ได้อยู่ที่เออ่ อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเรามาีมีองค์ประกอบที่จะทำให้ปรรูปธรรมครบหรือเปล่าคาถามต่อไปจะคุณวีรพง์เวลานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเกี่ยวข้องกับบุญบา ร, รมีที่เราสั่งสมยังไม่ถึงหรือเปล่าครับก็เกี่ยวข้องกับสตินะสติมันไม่มี แล้วก็อาจจะเกี่ยวเพราะว่าเราไปชอบไปทำอย่างอื่นแทนที่จะมาทำบุญรักษาศีลเราไปเที่ยวไปกินไปเล่นกันมันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสติเมื่อไม่มีสตินั่งสมาธิก็จะไม่สงบอย่างถ้าอาดีตเราเคยชอบไปวัดชอบรักษาศีลชอบอยู่วัดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีเวลาฝึกสติได้ แตถ้าเราไม่ชอบอยู่วัดชอบไปเที่ยวมันเราก็จะไม่เข้าวัดก็จะไม่มีเวลาไปฝึกสติพอไม่มีเวลาฝึกสติไม่มีสตินั่งสมาธิก็จะไม่สงบคำถามนี้ขอโอกาสค่ะจากคุณบังออมมีญาติป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองอุด ต, ตันเฉียบพลันเป็นมาหกวันแล้วเจ้าค่ะเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีทุกอย่างตอนนี้เครียดมากๆขอธรรมะรักษาใจเขาค่ะ รักษาไค่แหละรักษาขอให้ญาติฟังก็ทาใจด้ ว, ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยอมรับความจริงอย่าไปปฏิเสธความจริงถ้าปฏิเสธมันจะทุกข์ถ้ามันยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะทุกข์มากถ้ามันยอมรับมันก็จะเฉยมันก็จะสงบมันก็จะไม่ทุกข์แต่เราไปเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ ถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปตามตามโอกาสของมันคำถามต่อไปจากคุณนิรันี <c oughs> ตอนนี้มีปัญหากับพ่อ <c oughs> เพราะพ่อเข้าใจผิดและไม่มีโอกาสได้อธิบายให้พ่อเข้าใจและพ่อก็ไม่ยอมฟังความจริงเลยควรจะทำอย่างไรดีคะทุกข์ใจมากคะ่ะทุกเพราะอยากให้เขาเข้าใจเมื่อไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได้ <c oughs> ก็เลิกความอยากนั้นมันก็หายทุกข์ <boxing> เขาไม่ยอมเข้าใจแล้วจะไปทําไงเมื well ่อเขาไม่ยอมเข้าใจก็ปล่อยเขาไม่เข้าใจไปก็หมดเรื่องเราเข้าใจก็จบใช่ไหมเราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็จบเขาไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาปัญหาของเราคือไปอยากให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่อยากเขาไม่อยากจะเข้าใจเมื่อเขาไม่อยากจะไปบังคับให้เขาเข้าใจได้อย่างไรเมื่อบังคับให้เขาเข้าใจไม่ได้ก็อย่าไปอยากเข้าใจสิก็ปล่อยเขา ไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามต่อไปการทําบุญให้กับผู้เสียชีวิต <c oughs> บุญประเภทไหนที่ผู้ตายจะได้รับบุญกุศลสูงสุดคะ <c oughs> เช่นออกชื่อผู้ตายหรือการนาเงินให้ผู้ที่ผู้ตายทิ้งไว้มาทําบุญทอดกรถิ่นและตั้งใจออกบวชเพื่ออุทิศบุญให้ผู้ตายผู้ตายจะได้รับบุญจนเป็นเหตุให้ไม่ ทำอัตวิบากกรรมในชาติต่อๆไปไหมคะอ๋อไม่ดอกบุญนี้หนาช่วยเขาได้ในฐานะที่ถ้าเขาเป็นเปรตถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็จะเป็นเปรตเปรตก็คือขอทานทางจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญจะหิวอาหารอาหารของจิตก็คืออาหารของดวงวิญญาณก็คือบุญ เมื่อเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็จะเป็นขอทานบุญเขาก็จะมาขอรับบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จะประทังชีวิตของเขาไปชั่วขณะที่เขาเป็นขอทานแต่เรื่องนิสัยเรื่องของการกระทํานี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาเคยฆ่าตัวตายถ้าเขาไม่เปลี่ยนเองเขาก็จะฆ่าตัวตายต่อไป ก็มาเกิดพบหน้าชาตหน้าถ้ามาเจอปัญหาแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะแก้แบบเดิมก็จะฆ่าตัวตายอันนี้เขาต้องแก้เขาต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาจะแก้ได้ก็อาจจะต้องอาศัยต้องไปปรึกษาคนที่สอนเขาได้สอนเขาว่าเวลาเสียใจอย่าไปฆ่าอย่าไปฆ่าตัวตายให้ไปฆ่าตัวที่ทาให้เราเสียใจ ตัวที่ทำให้เราเสียใจก็คือความอยากถ้าฆ่าความอยากได้แล้วจะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะเมื่อฆ่าความอยากได้ความเสียใจมันจะหายไปเหมือนคนที่ลูกชายเมื่อกี้นียเสียใจพ่อไม่ยอมเข้าใจอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าเสียใจมากๆแต่ถ้ามาคิดว่าฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไร เขาก็ยังไม่เชื่อเราอยู่ดีเขาไม่อยากฟังเราอยู่ดีเราฆ่าตัวตายฟรีๆฆ่าไปทำไมมาฆ่าตัวที่ทำให้เราทุกข์ดีกว่าตัวที่ทำให้เราทุกข์คืออะไรก็คือความอยากให้เขาเข้าใจเราเมื่อเขาไม่ยอมเข้าใจเขาไม่อยากจะเข้าใจเราแล้วก็อยากไปอยากให้เขาเข้าใจเราก็ฆ่าความอยากตัวนี้เลิกความอยากให้เขาเลิกอยากให้เขาเข้าใจเราพอเราเลิกอยากแล้วเราก็สบายใจเราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตาย คำถามต่อไปจากคุณธัญรัตน์เราเอาบัตรเครดิตไปซื้อของทาบุญแต่นี่บัตรเครดิตเรายังไม่จ่ายเราจะได้บุญไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นวิธีทาบุญผ่อนสงฆ์ถ้ายังหรือถ้าเกิดไม่ได้จ่ายเขาเขามายึดบัตรอันนี้บุญที่เราทำก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าอยากจะได้บุญทันทีชัวชก็จ่ายเงินสดไป จะได้แน่นอนกว่าถ้าเป็นเงินผ่อนนี่มันยังไม่รู้ว่าเขาจะมายึดคืนได้เปล่าถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาส่งบินมาเก็บเงินเราไม่มีเงินจ่ายเขาอาจจะมายึดทรัพย์เรายึดอะไรเราไปบุญที่เราทําก็เลยไม่ได้เป็นบุญไปคําถามต่อไปจะคุณนราธิย์เครียดงานมานั่งมานั่งท่องพุทโธ ร, รัวรัวไม่หยุดจิตถึงสงบพอออกจากสมาธิ ความเครียดคลายจิตเริ่มสงบคิดถึงเรื่องงานอันเดิมกลับไม่เครียดแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการฝึกที่ถูกทางหรือเปล่าครับหรือแค่ย้ายจิตออกจากทุกข์ก็ถ้าไม่เครียดก็ใช้ได้ถ้าเครียดก็อาจจะยังแก้ปัญหาได้ชั่วคราวชั่วคราวถ้าถ้ากลับมาเจองานยังเครียดอยู่ก็แสดงว่าอาจจะต้องใช้ปัญญาถึงจะหายเครียดอย่างถาวร แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ใหญ่ตัวเวลาจิตสงบแล้วออกจากความสงบถ้าจิตยังสงบอยู่มันก็ยังไม่เครียดถ้ามันเครียดขึ้นมาใหม่ก็อาจจะต้องกลับไปทำใจให้สงบใหม่หรือถ้าอยากจะให้มันหายแบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางปัญหานั้นให้ได้ปล่อยวางความอยากเกี่ยวกับปัญหานั้นให้ได้ถ้าปล่อยวางความอยากได้ความเครียดก็จะหายไปอย่างถาวร คำถามต่อไปจากคุณเชลเบลการถือการถือศีลอุโบโสถนี่เป็นแบบไหนคะก็ศีลแปดนี่ไงเพียงแต่เขาเรียกอุโบสถว่าผู้ที่ถือศีลแปดไปถือที่ที่โบสถ์ไปนอนที่โบสถ์ไปรักษาศีลที่โบสถ์กันชาวบ้านเขาจะมีทำเนียมันพระ เ, เขาจะไปอยู่วัดที่ที่วัดก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่เพราะเป็นที่อยู่ของพระเขากเลยจับไปให้ไปอยู่ในโบสถ์ เพราะที่โบสถ์จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยก็เลยให้อยู่ในโบสถ์นั้นอยู่ในโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ถ้าอยากจะเดินจกมก็เดินรอบโบสถ์อยู่ถึงสว่างถ้าจะนอนก็นอนในโบสถ์เขาเลยเรียกศีลแปดนั้นเป็นศีลอุโบสถเพราะไปอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเป็นอุโบสถศีลแต่ก็ศีลแดเหมือนกัน ถ้าถือที่บ้านก็เรียกว่าอุโบสถถ้าไปถือที่อื่นก็เรียกว่าศีลแปดอัตถศีลาคำถามต่อไปแนวทางการปฏิบัติธรรมและธรรมะข้อใดที่เหมาะกับการใช้ชีวิตครวะเนื่องจากยังมีภาระทางโลกอยู่จึงยังไม่สามารถละไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเต็มเวลาอย่างนักบวชได้ค่ะก็ให้ทาบุญทาทาน ให้ใจกว้างอย่าตนหีขี้เหนียวให้แบ่งปันให้ช่วยเหลือกันนะกันแล้วก็อย่าเบียดเบียนกันให้รักษาศีลห้าให้ได้ทาบุญทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่ผู้อื่นแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะมีชีวิตที่อยู่ได้ในความสุขในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องมีเรื่องความทุกข์ต่างๆเข้ามาเพราะยังมีความอยากอยู่ถ้าอยากจะให้ไม่มีความทุกข์เลยก็ต้องปฏิบัติทำหยุดความอยากให้ได้คำถามหมดแล้วค่ะหรือว่าดีคำถามหมดก็จะหยุดนะวันนี้แร้วจะนั่งรอสักนาทีหนึ่งเผื่อยังมีใครกำลังพิมพ์อยู่ยังเหลือ อ, อีกสี่นาทีเดี๋ยวจะหาว่าผิดกติกา กติการเราก็จะเลิกประมาณสามสี่สิบห้านี่สามสี่สิบเอ็ดก็ยังเหลืออีก4เดี๋ยวรอเดี๋ยวก็นะมาแล้วคะ่ะมาถามไปการทำบุญบ้านด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ถวายพัตตาหารและถวายสังฆทานที่บ้านตามประเพณีที่ทำกันมาจำเป็นต้องทำใหม่เจ้าคะและมีอนิสงส์เท่ากับไปทำบุญที่วัดใหม่เจ้าคะ จักคุณบุญนัดค่ะอันนี้สงเหมือนกันทําที่ไหนก็ได้ทําบุญทําทานที่วัดก็ได้ทําบุญที่บ้านก็ได้ทําที่บ้านมันเป็นความเชื่อหนึ่งสองอาจจะเป็นความสะดวกญาติโยมไม่ต้องขนหมอน้อขนข้าวขนของไปเพราะคนบางทีที่เขาทำบุญใหญ่ๆนี้ก็จะต้องยกครัวไปยกครัวไปที่วัดแล้วบางทีเขาถือเป็นงานสังคมไปด้วยเดี๋ยวนี้งานทําบุญบ้านเป็นงานสังคมด้วย เชื้อเชิญญาตพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมบุญถ้าจะไปนัดไปที่วัดบางทีก็เขาก็ไม่สะดวกที่จะไปแต่ถ้ามาที่บ้านเขาอาจจะสะดวกกว่าเพราะบรรยากาศรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่เหมือนที่วัด<ม>เขาอาจจะรู้สึกสบายกว่าที่มาที่บ้าน อ, าอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเจ้าภาคของผู้ที่อยากจะทำบุญ ตัวบุญจริงๆก็คือการเสียสละเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นจะให้กับพระก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับใครก็ได้บุญก็ได้เท่ากันคือความสุขใจที่ได้จากการเสียสละนี้มันเท่ากันออถามมาสิยังเลือีกสองนาทีจากคุณนักบวชหากเป็นนักบวชแล้วบอกญาติโยมร่วมทำบุญใน f a c e b ุ๊ k จะสมควรหรือไม่ครับเป็นนักบวชนหน้าที่อันดับแรกของนักบวชก็คือไปศึกษาไปปีกวิเวกเหมือนนิสิตนักศึกษาให้ไปเรียนหนังสือสก่อนอย่าเพิ่งไปเรียลายหาเงินเข้ามาหาลัยยังไม่ใช่หน้าที่ ให้เรียนจบประริญญาแล้วอยากจะหาเงินให้กับออมหาลัยก็จัดงานคืนสู่เย้าหรืออะไรไปจัดงานเลี้ยงเชื้อเชิญพวกร่วมรุ่นมาร่วมทําบุญกันออแต่ในช่วงที่ศึกษาไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับกิจกรรมอย่างอื่นออผู้ที่ควรจะทําอย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่เรียนสําเร็จแล้วจบแล้วออต้องเป็นพระ อ, าหาอาหารหัน์แล้วเป็นพระออนั่นแหละถึงจะมาอยากจะมาทําเรื่อง เรื่องเลียยลายเงนินเรื่องเรื่องเชื้อชวนให้ญาติโยมมาร่วมทําบุญเนี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังอยู่ยังเรียนไม่จบพานนี้มีสองสอ ง, สองชนิดเ้าเรียกว่าเสขากับอาเสขาเสขาคือผู้ที่ยังต้องปฏิบัติต้องศึกษาศึกขาบทต่างๆปฏิบัติธรรมเรียกว่าเสขา อาเศขาคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วงหน้าที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาหน้าที่การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเศขาเป็นของหน้าที่ของอาเศขาของผู้ที่ได้สําเร็จแล้วท่านไม่ต้องทํากิจของท่านแล้วนี้ท่านก็มาทํากิจของาศาสนาต่อไปอย่างมาแสดงธรรมนี่ แล้วก็ญาติโยมเอาเงินเอาทองมาก็เอาไปทำประโยชน์ต่อไปเอาแล้วนะหมดหรือยังมีคำถามหนึ่งค่ะสุดท้ายาแถมใหม้โบนัสจากคุณเอสเจเข้าพรรษาจำเป็นต้องปวารณาไหมคะเข้าใจว่าทำดีทุกวันดีกว่าทำเป็นช่วงๆอยู่แล้วคำว่าปวารณาก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นเองเอว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นปรรษาจะใส่บาตรทุกวันหรือจะรักษาศีลห้าทุกวันหรือจะเลิกสุราทุกวันอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของปวารน า, าแล้วแต่เราถ้าเราไม่ปวารนามันอาจจะไม่มีอะไรมาบังคับเราให้ทำในสิ่งนั้นก็ได้เราเลยต้องบังคับตัวเราเองด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานหรือปวารนาว่าสามเดือนนี้จะเลิกเล่า หรือสามเดือนนี้จะเลิกดูละครหรือสามเดือนนี้จะเลิกดื่มกาแฟเราอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะคิดว่าทำแล้วมันทำให้จิตใจเราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองไม่ตั้งสัญญากับตัวเราเองเราอาจจะโลเลวันไหนอยากจะทาก็ทาวันไหนไม่อยากจะทาก็ไม่ทา แต่ถ้าเราตั้งสัญญาแล้วมันมันบิดพี้วไม่ได้ถ้าบิดพี้วก็แสดงว่าเราเราเป็นคนหละแหละเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นี่าการปรวานานี้ก็เป็นการบังคับตัวเรานั่นเองให้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ละการกระทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความพอใจเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา